การเพืือนจากอตมิกทุกกรูปจเจริญในธรรมยังเป็แมชีอันนั้นสาเน็น ป, นปะละพราหรือสามัญเณรก็ต้องไายจากสามเณรก่อนสิบสิบออกมาแมชีสิบแปดนักญาติโยมอุบาสกอุบาสิการุส ท, ทานก็เด๋ยนนี้จะไม่ค่อยนิยมเชื่อว่วาจเจริญพรเพราะพรภาษาอังกฤษเน้นแปลออกมาไม่ค่อยดี มันจะเจริญพรจเจริญพรก็พอดีแล้วเนาะต้องเปลี่ยนเป็นเจริญในธรรมางั้นดีไมโยมถ้าดีก็กดไลด้วยก็อย่างที่อาจารย์สมใจพูดมันักครู่ตาลีตาเหลือกมจากขอนแก่นก็ให้ผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็27คนนะ27คน เผจริงเข้าจะเหลือน้อยปีที่แล้วสิโอเยอะร้อยกว่ากคนจับปูใส่กระดง้งเรปีนี้ก็คนนิมนต์ไปอีกตอนเก็บอารมณ์เข้มเจ้าวายก็มาเก็บอารมณ์เข็มดีนะแล้วก็เออดีนี่ไปทําให้ที่วัดหนปีนี้เลยบอกกับปีหน้าไมไปแล้วทำเอาเองวัดของตัวเองก็ทํำมาเองเรียนรู้เอาเองตอนเรียนรู้มันทําเป็นก็บอกโยมรอบๆวัดนะต่อไปเอาใครมา ปีนี้ก็เลยชิงกลับมาแต่ก็ดีนะไปพาทาก็ได้ลมปฏิบัติกันวัดก็ไม่เขียวเฉยอุ่มเหมือนวัาเราหรอกสุกโตชุ่มชื้นอากาศดีไม่เท่านี้แต่ว่ามันก็จะมีควันไฟและยุงถึงเวลาเช้าๆก็มีควันมาเต็มเลยยุงมันก็อยู่ยุงไม่ค่อยมีที่นี่มีบางคนกางเต็นท์นอน ทาบามาประมาณ60ท่านใช่ไหมหกสิบท่านแล้วก็มีคนเก่า28ท่านประมาณเกือบเกบืเลยที่ไม่รู้จักเข็ด <c oughs> มาแล้วมาให้อีกไม่เขตกันแง่ยศ ม, <c oughs> มันดีตรงไหนอ่ะ <c oughs> มาวัดป่าสุโกโต <c oughs> ที่นี่ใครปฏิบัติธรรมกันก็ทั้งหุน่นเดี๋ยวนี้ก็หักไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วหุ่นนะ หุ่นสิบสจังหวะไม่มีพระอยู่พระไม่อยู่กันพระกรรมฐานพระพาปฏิบัติก็เดสาสัยหุ่นน่ะได้นันน่งปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์ฝนตกก็ไม่เคยบน่นแดดออ ก, กไม่เคยบน่นยมมามาไหลเดินมาเองเอ๊ะก็ทำอะไรหุ่นทำอะไรเอ๊ะอย่างนี้เท่ากับเริ่มต้นฝึกหัดไปโดย ไ, ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่นอนพระพาฝึกนม่ยมเนาะได้เดินไปยังเมื่อเย็นเห็น เดินไปอยู่คน่งเดินแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยเออมันยังไงกันนะี่ยเก็บโทรศัพท์ด้วยนะพวกเรารู้ร่วหรู้ว่าจุดอ่อนของการประทานคือชอบส่งจิตออกรู้เปล่ากันนี้อาจารย์ูนใจบอกให้ฟังด้วยความตื่นรู้โยมเอ้ยอถ้าตื่นรู้ไมื่อมาวัดนี้แล้วมันตื่นรู้แล้วเข้าใจเปล่า มันเบิกต้นให้รู้ตื่นก่อนรู้แม่เวลานี้เวลาฟังธรรมแล้วก็ตื่นซะไม่าไปนั่งงงงงนั่งรถมานานอ้างก็ไม่ได้แวะทานอาหารเยอะไว้หน่อยก็ไม่ได้อะไรบันสวนกาดลนามใช่ไหมตอนนี้ได้ทานอะไรหรื อ, อยังไม่เย็นนะทานอะไรเลยยมรับศีลกันหรื อ, อยังยังแล้วตกลงเจา้าศีลอะไรอยู่นี่ สิบแปอ่ะงั้นเดี๋ยวหลังเทศนาทำเสร็จเคยว่ากันอีกทีนึงอ่าเมื่อกี้พูดถึงรู้ตื่นเรามาฝึกรู้ตื่นก่อนจากที่เราทุกมืดมาหรือว่าพอจะสว่างสว่างแวบปบ๊อบแบมบแบบแบบมาก็เคยฝึกมาแล้วเนี่เสร็จแล้วเราก็มาอยู่สนามนี้กันมาฝึกรู้ตื่นก่อน รู้กายกายก็ตื่นละรู้ใจใจก็ตื่นละรู้ตือนรู้ปั๊บตือนปุ๊บรู้ปั๊บตือนปุ๊บฝึกตัวนี้กันตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติเบื้องต้นพลิกมือรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวคนเก่าๆ ก, า ก, ากา็รู้ดีคนในหม่ๆก็รู้ไว้นะคงจะมีการบอกเล่าเก่า10บกันมาบ้างบอกเก่าเล่า10สิบมีการพลิกมือเป็นเอก กระลักหรืออัตลักษณ์ของวัดป่าสุก โ, โตที่หลวงพ่ออมเขียนเป็นสิทธิ์หลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนไม่ให้สร้างวัดเนี้ยให้ไปอยู่วัดในเมืองแต่หลวงพ่ออมเขียนก็บอกว่าต่อไปในภายภาคหน้านะวิชันโดยวิสัยทัศน์ของท่านนะ่ยคนเมืองจะมาใส่ภูเขาปฏิบัติธรรมมาใส่ป่าปฏิวัตธรมรมแล้วก็เป็นจริงๆวันเนี้ยก็อย่างเรามานั่งอยู่นะปัญญาชนคนเมืองแล้ว ได้มาใสวัดป่าสุกโตเป็นวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์เห็นว่าต่อไปนะการเจรติบนหลังเขาแห่งนํำจะเพื่องฟูขึ้นไาแต่ท่านก็บอกไว้ว่าถ้าไม่มีคนมาปฏิบัตินะเดี๋ยวก็ล้างมีแต่สิ่งปลักหักพังไม่มีคนมาปฏิบัติกันท่านได้พูดเป็นการชี้ทางไว้ให้พวกเราได้อยู่ปฏิบัติกันวัดป่าสุกโตทำไหม ไม่ปฏิบัติมันเสียดายเสียดายผมเลิก ม, มาคนหนึ่งไม่มาหรอกทีเนะี่ยถ้าไม่มีเรื่องการเจริญสติพลิกมือยกมือโดนโยกรมไม่มีหลวงพร้อมเขียนไม่มาไม่อยู่หรอกไม่มีอะไรดีแต่สิ่งที่ดีในประเทศไทยแนละ้วที่นี่มันมีที่อื่นไม่มีนะมันมีอยู่เช่นสายไม่เคยแห้งเลย สระน้ำที่อื่นก็โอียานแรงอีสานแร ง, รแรงต้องคอยช่วยเหลือกันแต่ที่นี่ไม่เคยน้ำเต็มสระอยู่ตลอดหมู่บ้านได้ใช้500ห้าร้อยก็ไรวัดป่าสกโตัวมันมีต้นไม้มันซึมซับเอาไว้ช่วงฤดูฝนมันค่อยๆ ค, คลายก็ปล่อ ย, อ ย, ยใช้ได้จนหมดฤดูรุ่งแรงฝนหน้าม็ยังพอนั่นคือข้อดีอากาศสบายโยมที่นี่ ไปเธออังกฤษไปเธอเนปาลไปเธออินเดียไปเธอต่างประเทศจีนกลับมาที่นี่อากาศสบายที่สุดไหม่แล้วไม่ร้อนอากาศดีทั้งปีเลยเท่าที่อยู่ไปถ้าอยู่ที่นี่ร้อนนะหองศานอกวันนะร้อนวันนี้เยอะเลยข้อดีข้อดีอย่างคือป่าสุกโตนี่เป็นป่าที่หายากโยมป่าแบบนี้มันมี ไม้หลายพันหลายชนิดหลายวงหลายสกุลโดยเฉพะงงานนะวงกระดังงานะวงกระดังงามีอยู่ที่เนียยีสหาสายพัน์เยอะมเยอะไห ม, ไหมกระดังงาอย่างเดียวอะพีพุวนนมควายสารพัดเลยดอกนมแมวอะไรพวกนี้มัใช่หมดฮะอยู่ที่นีอดีมันนะ แล้วที่ดีมากที่สุดที่มันมีอยู่วันนี้คือหลวงพ่ออมเขียนตอนนี้หายไปแล้วเหลือแต่เงาจางๆอยู่ในรูปนะไอ้ที่นั่งยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ยตายไปเรยยื่องนั่งอยู่ตรงนี้กราบไหวกันอยู่ตลอดเหมือนกับติดเดยดี่ครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่อะบัด น, นี้เป็นบา ร, รมีของท่านก็ต้องให้ท่านสแสดงบา ร, รมีต่อไปใครไปใครมาโอ้วัดหลวงพ่ออมเขียน แต่เดิมทีนพ่อมันทาลูกพี่ลูกน้องกันคนมาสร้างไว้ก่อนลูกผู้พี่มาสร้างไว้ก่อนหลวงพ่อเขียนลูกผู้น้องเนี่ยมาอยู่แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ทีนี้ที่เนี่ยมีการฝึกเจริญสติขึ้นมา4ี่หปีแล้วแะละรา ว, วันเราเห็นอยู่สระสถาบันสติปัฏฐานดันนดอเลยมเข้ามาปั๊บ เมื่อก่อนในมองมันจะลงเดี๋ยวนี้ขยะเยอะมาพ้าก็ยืนลงตุงนางเต้นมั่งก็อี้มั่งแล้วโกปลกทำมาในขัดหูขัดตามาแล้วเข้าวัดนะบอกฮะแต่เออมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไอเราจะไปยึดว่าเออมันต้องงั้นงี้งนกกายเป็นอุปทานเกินไปถูกไหมทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลตามเหตุปัจจัยของมันเราก็อยู่แบบกลมเกลืนกันไป อย่ามันมีไอ้ผ้ารองฝุ่นเข้ามาเกี้ยยังเห็นะผ้าเวลาลมพัดลมฝุ่นเออพัดเข้ามาข้างในสาราก้าปลดได้จะสะอาดซะดโลกหูโล่งตาดีเพราะฉะนั้นเรามาวัดป่าสุกโตเลยนะข้อดีเยอะแยะไปหมดเลยข้อเสียก็มีแต่ว่าไม่ต้องดูให้มาดูตัวเองกันดีไ้ยดีัหยแต่ก่อนที่จะดูตัวเองเนี่ย นั่นคือต้องฝึกสติให้ได้ก่อนฝึกวิธีการสร้างสติรูปแบบการสร้างสติเจริญสตนะใิให้เป็นซะก่อนหนใครไม่เคยฝึกวิธีการเจริญสติสิจังหวะมันปล่อดยกมือขึ้นยกสูงยงสู ง, ง, สงจะได้เห็นโอ้ยไม่ท้อไรเกินครื่องที่นี่เคยฝึกมาแล้วในใครเคยฝึกมาแล้วปล่อยยกมือขึ้นปฏิบัติยกแล้วจะดูแสดงว่าต้องมีคนที่ไม่ยกอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ถามเอกใครเคยปฏิบัติธรรมมาแนวเคลื่อนไหวพลิกมือสร้างยุ่ายกมือขึ้นขมือลงท่านใดไม่เคยยกมือขึ้นขมือลงท่านใดไม่ได้ยกยกมือขึ้นไม่ได้วมาถูกไม่ได้ว่าปิดนะยกเลวยกอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่วัดป่าสุกโตเป็นสถานบัน ส, นนสนติปัฏฐานเปิบัติกันแนวเคลื่อนไหว มาที่นี่ก็ต้องพลิกมือสร้างจังหวะจะไปส่วนโมกที่สุราษฎร์ธานีต้องอานาปานาสตินะให้ชัดเจนนะถ้าไปสายคุณแม่สิริย ก, ย, กย่างเหยียบหนอหลงปู่มั่นอีกหลายรูปประชานะพุทโธใสหลวงปู่มั่นถ้าไปธรรมกายก็ต้องสัมมาหลังสัมมาหัง พ้นพร้อมกันที่นี่คือที่ไหนน่ที่เนยไม่เทนแล้วไม่พูดด้วยแล้วที่นี่ที่ไหนโยมโตโตเออวัดป่าสุกโตอัตลักษณ์เอละกลักษณ์แบบแนวเคลื่อนไหวลวพ่ดเทียนทะเลาะสู่สำเร็จอุดใจเดียวสู่การรู้แจ้งนะ เป็นสูตรสําเร็จอื่นใจเดียวของชีวิตเราอะที่จะสู่การรู้แจ้งใหม่ๆมันรู้แล้วตื่นพอทําไปทําไปมันตื่นแล้วรู้ไอ้ช่ที่ตื่นแล้วรู้แหะตรงนั้นละมันแจ้งจกกนกระทั่งเป็นอิสระภาพทางจิตวิญญาณฝึกไปนะอิสระภาพตนั้นสําคัญอยู่ตรงไหนก็กลมกลืนปรับเนื้อปรับตัวเป็นตัวปัญญาไม่ได้ขัดแยง้งขัดแย้งที่ไหนก็ทุกที่นั่น เกิไปขัดแย้งความดีก็เป็นเดรัจฉานทันทีอย่างเงี้ยจิตที่ขัดแย้งอ่ะโอบจิตตอนเนี้ยเป็นเดรัจฉานทันทีเพราะฉนั้นมาที่นี่ไม่ต้องขัดแย้งอะไรเรียนรู้เป็นวิสัยบัณฑิตไม่ได้รับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็รับรู้ไงรับรู้รับทราพเฉยๆดีไหมไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลดีๆไม่ดีไม่เสียเวลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างเงี้นะกายใจของเรา ตัวชีวิตของเราทุกคนนะรู้จักหรือยังรู้จักตัวเองอยังรู้รู้ครบรู้จบรู้มันทุกแง่ทุ ก, ทกมุมยังถ้ายังต้องเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะรู้จักตอนนี้ตัวเองกําลังนั่งอยู่นะตัวเองกําลังนั่งอยู่เคล็ดลับว่ามิตรคือกลับมารู้สึกที่กายของเรากันที่ลมหายใจมันก็กาย ขณะนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ร่างกายเรานั่งอยู่นั่งเดินยืนนอนนี่ก็กายรู้ไหมกําลังนั่งอยู่วใจลอยมีมือไหมมือลองขยับรู้สึกซิแงบแงบแงบแงบลองขยับรู้สึกซิรู้ตัวไหมรู้สึกไหมเออเราขยับเราก็รู้สึกตัวอยู่ไอ้รู้สึกตัวตัวนี้มันจะพาให้เราเดินทาง สู่ความเป็นปกติธรรมใจที่ไม่ปกติสุกๆทุกๆๆๆสุเี้ยนะตัวเนี้ยมันผิดปกติแต่ใจที่มันรู้อยู่รู้เฉยเฉยอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วใจเฉยเฉยเงี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นมรรคเป็นผลทางเดินเป็นที่อยู่เป็นมาตรฐานเป็นบ้านของจิตใจงเนี้ยพ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนตัวาะมาเองอะนะคนอื่นพ่อแม่จะสอนอยู่มั้ แต่มำไมเองเนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเนี่ยนะรู้สึกตัวนะลูกนะไม่เคยสอนมีแต่ทะเลาะกันวิ่งหนีรอบบ้านนะพ่อกับแม่ทํามาเสร็จแล้วมาถามจะอยู่กับพ่อจะอยู่กับแม่แม่วิ่งมาถามแม่จะหนีไปบ้านแม่แล้วบ้านยายถามลูกจะอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ทันที่หนูรู้สึกตัวนะหนูนะมีต่โอ้ยวันๆทะเลาะกัน มันก็เป็นเรื่องของคนที่เอาแต่ใจมาอยู่ด้วยกันพ่อเขาก็ไปทางแม่ครับไปทางชอบคนระแบบพออ่อนี่ชอบหายไปทั้งคืนส่วนแม่ก็ชอบอีกแบบนึงชอบเอาแต่คอยพ่อเมื่อไหรจะกลับบ้านเมื่อไรจะกลับบ้า น, น, ก, บบานก็ทําให้เรารู้สึกว่าวเว คนเดียวที่หาอยู่หาเลี้ยงครอบครัวคือพ่อไม่มีอาจารย์ามาสอนเรื่องความรู้สึกตัวไปโรงเรียนครูก็ไม่สอนเีงไปโรงเรียนก็กเอ๋ยก็ไ ก, ก่เริมต้น a b c d 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่เจ็ดปดนี่สีแดงนะแมวสีสามสีเนี่ย น, นี่สีเหลืองนะนี่สีน้ำเงินนะสอน ไม่ได้สอนเรื่องความซึกตัวอันนี้จำไว้นะจำไวนะ้นะคิดมียินนาการจะบ้างนะคิดแบบเออมันมีรายละเอียดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะลองแสดงออกมาหน่อยสิสอนให้เราคิดนี่แหละมาเจอหลวงพ่อ เ, อเขียนนะพรางข้างของบ้านเขาก็ไม่ได้สอนทำบุญทำทานารักษาศีลมีกระถินพระป่ากัน เดินกุมพาเนี่ยไม่ได้บุญทังนั้นนะฝังลูกนิมิตมิตรเจ่าพระวัดน้นดังวัดนี้ดังศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่งนู้นไม่ได้พูดหลงความรู้สึกตัวพอ ม, มาเจอหลวงพ่อขมเขียนนั่นพูดหลงความรู้สึกตัวรู้ไหมเนะ่ยรู้สึกตัวกำมือซิรู้สึกตัวไหมเอามือกำไหมรู้สึกตัว แบรรู้สึกตัวไหมเอาคือรู้สึกตัวอีกเนี่ยหลวงพ่อว่าแบรนะ่ะไม่ได้กรรมหรอกเฮ้ยผมก็ว่าผมกรรมอยู่นะอา้าวแล้วทำไมไม่เชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าแบรหลวงพ่อเป็นพระนะหลวงพ่อว่าอย่างเงี้ยนี่ไม่เชื่อกระทั่งพระอ่ะไม่เชื่อก็เชื่อตัวเองอยู่นะตัวเองเห็นตัวเองหลวงพ่อไม่ได้เห็นเนี่ยพูดก็พูดไม่ถูกเออหลวงพ่อให้เราเชื่อตัวเอง เชื่อสติเชื่อปัญญาของเราไม่ได้เชื่อก็พูดอะไรก็เชื่อไปหมดมงคลตื่นข่าวเออเจอพระแบบนี้สอนของจริงแต่ mm hmm. เราไม่ได้พูดอะไรเยอะยพูดแค่ความรู้สึกตัวแล้วก็พาปฏิบัติยิ้ ม, ย, ย, ย, มยิมเย็นเนมันก็ประทับใจเล ย, ย mm hmm. ก็เลยตามมาที่นี่แหละมันมีพระแบบนี้อยู่สอนเรื่องแบบนี้อยู่ที่นี้เรื่องการฝึกสติเฉลยสติ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจก็เหมือนพวกเรา พอฟังข่าวที่นีนะ่ก็ตัดสินใจมากันมาแล้วก็ไม่ให้คว้าน้ำเหลวนะมาแล้วก็ได้รู้จักกันเพรา ะ, ะเราอยู่กันแบบเพื่อนนะแบบกัลยาณมิตรอยู่ที่นี่ไม่ต้องหวาดระแวงเลยนะไม่ต้องมีความรู้สึกแปลกแยกแต่อะไรทั้งนั้นอยู่ที่นี่อยู่ให้เหมือนเป็นเจ้าของนะเหมือนเป็นญาติมิตรนะที่เราเพิ่งได้มาพบหน้ากัน มีทายาทมิตรที่เพิ่งได้มาพบหน้ากันกําลังพากันเดินไปสู่ความดีไปสู่ความจริงไปสู่มรรคสู่ผลนิพพานคือสู่ความเป็นปกติของจิตให้กับจิตใจของเราทําไมต้องคืนด้วยทําไมไหลาตามกระแสไปไม่ได้ไม่ไไมต้องทวนกระแสคืนสู่ความเป็นปกติของจิตเพราะกระแสส่วนใหญ่กระแสความคิดกระแสอารมณ์นะมันชวนเรา ไหลไปสู่ความเสื่อมคิดแล้วก็เจ็บปวดคิดแล้วก็แต่เหมือนกับกัดต่อตัวเองคิดแล้วก็เหมือนกับทำไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราคิดแล้วมันก็อึดอัดคิดแล้วก็จับสนคิดแล้วก็ว้าวเว่คิดแล้วก็มันไม่รู้ว่าขาดอะไรไม่อิ่มเป็นไหมโยมเป็นไหมเวลาอยู่ตัวเองคนเดียวเป็นปะไม่เป็นเลยแหละเป็นอาราหันไปแล้วมัม่งโยม น่าจะเป็นสักอย่างนะเนีอยู่กับตัวเองกลัวตัวเองบ้างไหมกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายมีไหมไม่มีเลยแล้วมาทำไหมมามานั่งตรงนี้มานั่งแทดเดี๋ยวมาจะฟังแ ท, ทยดยอนะไม่ทุกข์แล้วก็เดี๋ยวก็รู้เจดวันเนี้ยมาวัดเนี่ยเดี๋ยวจะวัดให้ เหมือนไปโรงพยาบาลนะลบอกไม่ป่วยยันไม่ป่วยยันไม่ป่ว ย, ยลองให้หมอที่เก่งๆชำนาญโรคเขาตรวจสอบดูเป็นไงละ่นะดิเนโอโ้โหโรคเต็มตัวเลยเผลอๆพอรู้ว่าเป็นโรคปั๊บเจวันตายเลยทำใจไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นะเนี่ยเดี๋ยวรูปแบบจะวัดใจเราเดี๋ยวค่ว่ากันหลังไมค์ทีมกันแล้วกัน <c oughs> เอาเป็นนั้นว่าตอนนี้เรามาวัดป่าสุกโตนะ <c oughs> พื้นที่ก็ห <c oughs> ้าร้อยไร่เศ เราก็จะใช้พื้นที่เรียนรู้จากตัวเองกันทุกๆตารางนิ้วไม่ปล่อยให้ใจของเรามันเผลอไปตามอารมณ์เผลอไปตามความคิดพยายามให้จิตของเราผูกเอาไว้กับความรู้สึกตัวตะกี้บอกหลวงพ่อได้ชี้นามาเบื้องต้นตัวเนี้ยเราไม่เคยได้ยินใครพูดใครสอนเราพอได้ยินก็เออแปลกเดีพอได้ทำลงไปเ อ, อ้ยจริงแฮ พิสูจน์ได้อยากจะทพระหลอกโยมกัได้โยมหลอกพระก็ไม่ได้ทั้งคู่หลอกกันแม้ว่าสัจจะคือความจริงไงเนอะก็ยามที่จะให้กําลังใจ้แต่วันแรกเลยนะแล้วก็พยายามที่จะพาทำในสิ่งเดียวกันสอดคล้องกันไปสิ่งที่พูดเนี่ยพระวันนี้ก็ทําโยมวันนี้ก็ทำเนอะและพระที่พูดก็พูดถึงเรื่องอารมณ์ปฏิบัติในสิ่งที่ทำแล้วเป็นร่องของอารมณ์กรรมฐาน อย่าให้เหมือนกับที่ไปขอนแก่นอาตมาก็พาฝึกสติดีๆอยู่ในียยกมือสิบสี่ยังหวเนี่ยรองเจ้าคณะอำเภอน้าพองเข้ามาคนที่หนึ่งอยู่ๆก็มาเทศเลยพระก็เหมือนโยมแหละคิดเหมือนโยมหละเพียงแค่มีศีลสองยยบเจ็ดข้อมันคลอดเอาไว้กันเลยไม่ได้ทําเหมือนมาฟังข้างในเหมาจะไปเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือน พระอรหันต์ไม่มีจริงอะไรไม่ต้องพูดประโทถึงทํมามันจะรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากไม่ได้รู้จายการคิดการ น, นึกตรึกหรือตรา ก, กะคํานวณคาดคะเนมันไม่ใช่อย่างนะั้นนะแต่วิสัยผู้รู้คือบัณฑิตนะครัรู้ได้มีน้อ ย, นอยคนไปสวรรค์นิพพานเท่ากับเขาของโคมีน้อ ย, อยแต่คนไปนรก เท่ากับขนของโคเยอะใช่ไหมนั้นคนที่รู้ได้รุ่นนะี้อาจจะเป็นเราเนี่ยแหละไม่ใช่ใครหรอกเพราะอะไรเพราะเราเรียนของจริงลองพลิกมือดูสิมจริงเปล่าเนี่ยรู้ตัวเปล่าว่ามันคิดอยู่หรือมันพลิกอยู่สัมผัสอยู่มันมันแยกกันตรงนี้แหละลองไปคิดเอาสิคิดเอาลูกแก้วเข้าไปในรู้จมูกเข้าไปหายใจเข้าไปอ๋อลงมาลงมาลงมาในช่องท้องถึง ฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วเนี่ยผมต้องคิดเอาเนะ่ยสร้างนิมิตเข้าใจไหมเนี่ยลองเอามือกระทบดูสิจริงหรือไม่จริงกระทบดูสิทุกคนลองดูแล้วลองบอกตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมือกระทบขาแนละ้วจริงป่ะหายใจอยู่ในะจริงป่ะก็จริงเลยได้ยินไหมจริงป่ะมันก็จริงสำหรละคนที่ได้ยินคนไม่ได้ยินก็หูหนวกกันละ ใช่ไหมดงนั้นเราเรียนรู้ของจริงกันนะแล้ก็มีเวลาอยู่วันนี้หมดเป็น1วันพรุ่งนี้เริ่มต้นวันกลับก็แม่ต้งไปนะับวัน5้าวันวันที่28ถึงวันที่3ามกุมภาพันธ์ถูกไหมทีอยู่ร่วมกันทีนะก็จะแบ่งเป็นสกลุ่มเลยกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนเก่าจะไม่ตอแยอะไเยอะนะจะปล่อยให้ปฏิบัติโดยเว่าคนไปบันหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็พยายาม ผมเพระต่อยอดให้มันจเจริญงอกงามทิ้งให้หายสงสัยเรื่องพุทศาสนาทีนึ่งส่วนคนใ ห, ใหม่ๆก็จะอยู่เป็นเพื่อนค่อยๆพาปฏิบัติไปด้วยกันอย่างนี้นะความสําคัญเนี่ยทำไมต้องฝึกสติเจริญสติเดี๋ยวนี้ลองดูสิเครียดหน่อยกระโดดน้ําตายใช่ไหมอย่างน้องเคลียใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรมาหนุนแล้วกระโดดน้ําตาย หรือบางทีก็ยิงตัวเองตายไม่ยิงตัวเองก็ยิงคนอื่นตายโลกเดี๋ยวนี้มันรุนแรงเหลือเกินกามกินเกล็ด น, นะมันไม่เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนผู้อื่นอย่า น, นีจนทั้งวันที่ อ, อ, อะไรล่ะสิกันยายนเกิดเหตุการณ์ช็อโลกกันไฆ่าผู้อื่นใช่ส่วนวันที่10กันยายนเป็นวันรณรงค์การป้องกันการฆ่า ต, ตัวตายโลก ไม่ฆ่าคนอื่นแนตะ่ฆ่าตัวเองและตายเยอะมากกว่าสงครามด้วยนะ่อตายเยอะภัยเงียบอยู่ในตัวเราภัยไร้ที่อยู่ในตัวเราแลวภัยวัาต่างสงสารฆ่าตัวเองตายเรียบเลยทีนี้มันเกิดการเบียดเบียนตัวเองวันที่สิวันที่11เอ็ดเบียดเบียนผู้อื่น12ก็เป็นวันที่ให้หยุด12กันนะยายะหยุดลองลองทบทวนดูทีสิมันเกิดจากอะไรกันแนะ่ วันที่สิบสามกันยายนก็จึงเป็นวันหลวงปู่เทียนให้มนุษยชาติทั้งโลกนั่นแหละในโลกเราเนี่ยไม่เฉพาะประเทศไทยช่วยกันออกจากความคิดทิ้งได้ไหมความคิดทิ้งทำให้เราเบียดเบียนตัวเองทำให้เราเบียดเบียนผู้อื่นตัวนั้นคือตัวเหตุแห่งทุกข์ถ้าหลวงเข้าไปคือตัวสมุทัยนั่นเองแล่วสัญญาสังขารก็แล้นะนะทิฏฐิมานะก็ได้เป็นสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมากมายเหลือเกิน มาเกิดจากตรงนั้นนะตัณหาวัฏฐานเพราะฉะนั้นการออกจากความคิดนะตรงนี้ที่วัดป่าส่องต่อยมีสิทธิ์นะพวกเราใน7วันถ้าปฏิบัติดีๆนะถ้าเชื่อกันนะถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยแล้วถ้าเชื่อกันก็จะอยู่กันปฏิบัติธรรมไปทุกวันนั่นแหละค่อยๆแก้โลนปรับอารมณ์กันไปเหมือนกัที่เพิ่งกลับมาจากน้ำพองก็รู้สึกพอใจในผลงานที่พาเขาปฏิบัติธรรมเมื่อกี้แอบตอนที่จะกลับมานะบอกเขาบอกว่า ก็พักผูถือซองมาสองซองก็ไม่ต้องมาให้หรอกสองซองไม่ต้องมาให้ตั้งใจมาทำงานเออโยมที่จะลุกไปนี่นั่งก่อนนะนั่งก่อนนี่คือบทแรกของการปฏิบัติธรรมที่นี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาที่ออชัยภูมิแล้ว พระครูเขาก็เดินมาจากตรงนั้นเป็นศูนย์ปฏิบัติให้ได้พยายามเป็นเครือข่ายของวัดป่าสุกโตก็พูดชักไว้น้ําทั้งห้านะยังไงมาก็ว่าปีหน้าก็จะไม่ไปะให้พระครูแหละปฏิบัติเอาเองแล้วก็สอนเอาเองคือ 45, สี่สิบห้าพรรษาละโยมเยอะไหมยเยอะไหมยเยอะหน่อยเรียนกรรมฐานเรียนจริงไม่กี่ปีมันู้เรื่องรู้ราแล้ ว, ลวมันขาดแคลนเหลือเกินภาคกรรมฐานน่ย ามาสังเกตตอนจะจะกลับผู้หญิงน้าตาซึมเงินเต็มเลยสังเกตนั่งร้องไห้ว่าพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องมาเอาใจกันเลยพูดเอาใจม่ต้องมาพูดแง่ล้ายแง่แง่ไหนเท่านั้นะพยายามพูดความจริงลงไปแล้วสังเกตเออมันก็ถึงใจคนนะแล้วเวลาปล่อยปฏิบัตินะมาไม่ได้ไปเฝ้าเลยเีย็บเก็บตัวไม่เอากำลังของเราไปให้เขา พอทพระเดินไปด้วยเรือโอ้มันฮึกเหมกันหน้าดูเลยมันไม่เกิดศรัทธาภายในเป็นตัวศรัทธาสถานที่เป็นตัวศรัทธาบุคคลแต่ไม่ศรัทธากาันนั่งการเดินการยื น, ก า, ยนการนอนตัวสติตัวปัญญาที่มีอยู่ในตัวเองแล้วก็พยายามเข็นให้ว่าศรัทธานในตัวเราก็ปฏิบัติเอาเองเออชาวบ้านยังทําได้เลยโยมจํานวนเยอะเลยนะที่บอกว่าฉั้นรู้สึกตัวเนี่ยชั้นมีพันาการะ เขากล้าพูดกล้าแสดงออกเลย <Yeah. S 1> แล้วเราก็ดูสอดคล้องไอ้สิ่งเขาพูดหรือเปล่าคือเวลาปล่อยปฏิบัติเราก็แอบดูก็อยู่เราได้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงสูง <Yeah. S 1> แม้กระทั่งมันไม่กี่วันก็ตามชาวบ้านไ่รู้หนังสือเพราะนั้นของเรานี่คิดว่ามาถึงสถานที่วัดป่าสุกโตก็น่าจะมีอะไรดีๆหรือได้เห็นความจริงในตัวเราบ้าง ไม่มากกนน้อยเั้นเดี๋ยวก็ขอกล่าวไว้แค่นี้ก่อนว่าไอ้เรื่องของอติปฐานน่มันฝึกได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาฝึกให้มันสืบเนื่องต่อโยงกันให้ครบจานวนวันที่เราตั้งกำหนดการกันมาที่นี่วัดป่าสุกตก็จะออกแบบให้อีกทีนึงจะเไงกันเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวมีพระสงฆ์ถ้าจะมาอยู่ปฏิบัติร่วมกันที่นี่ก็ขอเชิญแต่สําหรับพระที่มาจากขอนแก่นที่ไปฝึกกันมาที่นูน้นกะถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่คุยกันมาในรถที่ท่านคุยกันอาจารย์สนใจก็ให้อยู่นิ่งๆเ ง, ง, งียบเอาเองบวชมามันก็ต้องลงสู่สนามลกลงสู่การฝึกหัดของจริงไปเลย แล้วก็รูปไหนที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันก็นิมนต์อย่างนี้นะก่อนที่จะ